มีอยู่เรื่องหนึ่งในคาถาธรรมบทด้วยแล้วก็ในเปเตวัตถุด้วยในอังกุระเปเตวัตถุสมัยนั้นก็มีเทพประบุตรองค์หนึ่งนะตอนที่พระองค์เสด็จไปที่สวรรค์ชั้นดาวดวงหนึงไปเพื่อแสดงอภัยที่ทำปีกก็มีเทพประบุตรองค์หนึ่งเนี่ยนะมานั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้ามาถึงก็รเรียบเรียกมาก่อนเพื่อนเลยอยากใกล้พระพุทธเจ้าก็เลยมากราบมาไหว้ทักทายกับพระองค์นิดหน่อยี น, นเทวดาก็ทยอยมา นะเทวดาอีกอ ง, องหนึ่งก็มาด้วยกันแล้วกันก็มามานั่งใกล้ๆ ก, กันเนะี่ยเขาเรียกว่าอินทกะกับอังกุระฝ่ายอังกุระเนี่ยนะพอเทวดายิ่งมาขึ้นตัวเองก็ถอยถอยถอยถอยมันถอยโดยอัตโนมัติเราวงากั น, นเพราะว่ามันวัดกันที่รัศมีวัดกันที่รัศมีเพราะนั้นถ้าเทวดาที่มีบุญมากเดินเข้ามาเทวดานั้นถอยโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าถอยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าประทับนั่งผ่านไปเทวดามา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 อังกุระก็ไม่ไม่ต้องการครองราชแต่ว่าพี่น้องส่งสวยให้แล้วกันให้ภาษีให้กันแล้วการคนละส่วนคนละส่ว น, น, ลวนแล้วเป็นพ่อค้าที่เก่งมากค้าขายร่ำรวยร่ำรวยเสร็จเอ๊มีทรัพย์เยอะแยะทำไงดีก็ตั้งโรงทานเนี่ยนะยาวเหยียบเลยเตาหุงข้าวนี่ยาวเหยียบเลยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยในท่านเกิดในสมัยคนอายุเป็นหมื่นปะีเนี่ยนะทำบุญเป็นหมื่นปีตั้งเตาเตาเนี่ยเรียงแถวห่างเป็นกิโลใช่ไบอกว่า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 ก็เลยให้อาหารปลาไปไม่กี่ร้อยกระสอบเองจะได้นึกถึงวันหลังปลามันก็เยอะจริงๆเลยนะนึกถึงโอ้โหถ้าตกไปอยู่ในท้องปลาแล้วจบเพล่เนี่ยทําอะไรได้จะอยู่บ่อ น, น้ําข้างประตูพระไตรบิฎกก็อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้พระาธาตุมาก็ไม่ได้ไวาทพระาธาตุแล้วก็ดูสิตอนที่พุนทธมณฑลใช่ไหมที่พุนทธมณฑลเขาเอาพระเที่ยวแก้วมาจากเมืองจีนมาประดิษฐานที่วิหารหนึ่งเห็นประดุก ป, ประช่อนขึ้นมาว่ายพระาธาตุบ้างไหม ไม่มีหรอกแต่แหวะพอกรีดอาหารแค่นั้นแหละมากันพรุบพรับไปหมดเลยนะอันอบายภูมิเนี่ยมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลุดไปสู่อาบายแล้วก็ยากนะนะพันะ ถ, ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยพาหังเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมถ้าเปรียบกับปุตุชนเนี่ยนะปุตชชนทั้งโลกก็มีคุณธรรมเศษจเสี้ยวไม่ได้ถ้าห่างกับเทียบพระโสดาบันไม่ห่างกันนักแลพระโสดาบันจะมีเป็นร้อยเป็นพนันก็ยังไงก็ไม่ถึงคุณธรรมของระดับพาหันนั้นเขามีการวัด วัดวัดกันด้วยคุณธรรมวัดกันด้วยสาระและแก่นสารเหมือนอย่างว่ามีต้นหญ้าประมาณพันเนื้อที่พันไร้มีแต่หญ้าธรรมดาเนี่ยนะถ้าเทียบกับไม้สัก์ต้นหนึ่งอะไรจะพอจะมีค่ากว่กันไม้สัก์ต้นเดียวมีค่ากว่า ท, ทั้งทั้งที่ป่าหญ้าคาเป็นร้อยไร่ะนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับไม้สักต้นเดียวอะไรหรอกเพราะฉะนั้นมนหาการมูสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกัน ย่าๆธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละเหมือนกับมดแมลงปลวกเนี่ยนะผีเสื้อมันจะมีเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าช้างตัวหนึ่งหรอก น, นะช้างตัวเดียวก็มีค่ามากกว่าแล้วเนี่ยนะมันในหมูปุถุชนทั้งหลายถ้าเทียบกับผาระยะนั้นเจือห่างกันนักแหลต่อไปว่าพร ะ, น, พระนราสพระพระผู้องค์อาจในหมู่นรชนพระองค์นั้น นระก็คือคนทั้งหลายอาสภาก็คือผู้องค์อาจผู้แกล้วกล้ า, ลาผู้เป็นหัวหน้า น, นะพระผู้องค์อาจแกล้วกล้าเป็นหัวหน้าคือคือพระพุทธเจ้านารทะพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์สร้างสะพานธรทำอาวอย่างมั่นคงสะพานคืออริยมรรตสะพานคืออธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาสะพานเพื่อข้ามจากวัตะสู่วิวัตสะพานที่ข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะสะพานของพระองค์มั่นคง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 พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นก็ดีพร้อมทั้งสาวกก็ดีก็อันตราฐานไปสิ้นแล้วผ่านพ้นไปเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับบัดนี้ถ้าไม่อ่านพุทธวงไม่เหลือแม้แต่ชื่ อ, อ น, นะพระนามว่านาราทานเนี่ยนะมีอยู่สามคัมภีร์เท่านั้นเองที่พอจะอ่านได้คือมีอยู่ในคัมภีร์อัตถส า, า, า, า ร, รีนีอัตถกถาธรรมสังกิณีปกรณ์มีในอัตถกถา อัอปทานเนี่ยนะมีอยู่เล่มเจ็บห้ามีอยู่เล่มเจ็ดสิบแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคือเล่มพุทธวงศ์เนี่ยนะก็เจ7ดเจาก็75บห้ามีอยู่สามเล่มที่กล่าวถึงที่เหลือไม่มีเลยน้อยมากเว้นแต่ใครแบบนโมเมสพะพุทธานั่งอะไรที่ชอบสวดอะไรนะนอบน้อมพระพุทธเจ้า28พระองค์อ่ะอาจจะได้ยินบ้างเนี่ยนะอาจจะพอได้ยิน โยมเขมาเมื่อวานเขาชอบนอบน้อมพระพุทธเจ้า28พระองค์นะก็คือขึ้นต้นเลยนะโมเมสะพุทธานั่งอะไรเงี้ยนกนที่โยมสวดกันไปพระนารทพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระชินะผู้ประเสริฐเสด็จดับขันทัพปรินิพานณกรุงสุทัศนะพระพุทธเจ้าของเราก็ปรินิพานที่เมืองกุสินาราใช่ไหมอดีตเป็นเมืองในอดีตของพระพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุทัศนะ นะคล้ายๆกันนะนี่ก็เหมือนการที่เมืองสุทัศนะแปลว่าเมืองที่เห็นเห็นดีเห็นสวยเนี่ยนะเมืองที่ดูสวยนั่นเองทัะสถูปเจดีที่ประดิษฐานของพระองค์เ น, นี่ยสูงสี่โยศแสดงว่าไม่ได้อธิษฐานให้พระาธาตุกระจายพระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายร่วมสร้างเจดีสี่โยต์อยู่ณนะที่นั้นแล ในอัธกถาพันนาวงของพระนารทะพุทธเจ้าที่เก้าในมัธุรทัววิลาสีกล่าวว่าเมื่อพระปทุมุตระพุทธเจ้าเมื่อพระปทุมะพุทธเจ้าปรินิพานศาสนาของพระองค์ก็อันตรทานไปมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุร่วมแสนปีเนี่ยนะก็อายุน้อยถอยลงลดลงโดยลำดับเรียกว่าขาลงนะน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 ครั้งนั้นภ้าศาสดายอด n รสัตว์เนี่ยนะก็คือยอดของสัตว์สุดยอดของบรรดาสัตว์ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายพระนามว่านาร r t ผู้ทรงกำลังสิทศพลญ า, าม1ิมีวิชาสามผูก้กล้าด้วยเวสารชายานสี่ผู้ประธานวิมุติสาระให้แก่นสารคือวิมุติอุบัติขึ้นในโลกนะพระ อ, องค์มีกำลังกายเนี่ยเท่ากับช้างานะหลายแสนเชือกเหมือนกันน่ มีกําลังปัญญาคือทศพลยา น, น, นมีวิชาสามรู้อดีตทั้งหมดรู้อนาคตไม่มีส่วนเหลือแทงตลอดปฏิจจสมุบาทโดยไม่มีข้อสงสัยเนี่ยนะพระ อ, องค์แก้วกล้าด้วยเวสารชยานสี่เป็นคนที่องค์อาจไม่มีความคลั่นคล้ำเป็นคนที่อยู่ด้วยปีติโสมนัสตลอดไม่มีคําว่าอะไรนะง่อยมีเหตุการณ์ที่แบบน่าสะพรึงกลัวตกใจหวัน่นไหวไม่มี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 พระโพธิสัตว์นารทะนั้นครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปราศาสตร์สามหลังเหมาะแก่สามโดยดูชื่อว่าวิชิตา ว, ว, ตาวีและวิชิตาพิรามะพระชนกชนนีได้ทรงธทรรขัติยกันยานางกษัตริย์ผู้มีบุญอย่างยิ่งนามว่าวิชิตเสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสกุลมีศีล า, ารยาวัตรหมายความว่าเป็นคนที่สกุลสูง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 ของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาอยะว่าเห็นคนแก่เลยตัวจะแก่ใจก็ไม่ยอมเหมือนกันะตัวจะแก่ขนาดไหนใจก็ไม่ยินไม่ยอมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สั่งสมบูรณ์อะไรมาเนี่ยนะแต่แต่ถ้าคนสั่งสมบูรณ์มาเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กๆไม่เห็นคนแก่เนี่ยก็เดือดร้อนแล้วนนะีเหมือนใครนะเหมือนพระเรวต ะ, ระเรวตะเนี่ยเป็นน้องคนเล็กของภาษาริบุตรภาษาดิบุตรนั้นในครอบครัวนี่มีพี่น้องอยู่เจดคนด้วยกัน คนที่หนึ่งก็พภาษาริบุตรเนี่ยนะรองๆองลองมาก็เช่นพระอุปเสนวังคันตบุตรภาษาธิบุตรมีชื่อตามแม่พระอุปเสนมีชื่อตามพ่อนะสารีบุตรกับอุปเสนวังคันตบุตรเนี่ยนะลูกของวังคันตพรามภาษาธิบุตรมีแม่ชื่อว่านางสารีมีพ่อชื่อว่าวังคันตพรามแล้วก็มีพี่น้องชายพี่น้องหญิงรวมเนี่ยนะเป็นเป็นชายซะมีชายสี่คน ชายสี่คนก็คือพระสารีบุตรพระอุปเสนพระจุนทะแล้วก็พระเรวตะเนี่ยนะพระเรวตะเป็นน้องคนเล็กน้องคนเล็กเนี่ยหลังจากที่พี่ๆเข้าบวชกันหมดเป็นพธาตุหัน์กันหมดแล้วเนี่ยนะทีนี้มันก็เหลืออยู่คนเดียวอายุประมาณเจ็ดขวบเนี่ยแม่ก็คิดนะเดี๋ยวอนาคตลูกของเราบวชกันหมดแน่จับแต่งงานเลยดีกว่าประมาณก็เลยเ้าคนแข่งนี่เขจับแต่งงานตั้งอายุนน้อย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 แล้วทุกคนก็ร่วมกันให้พรขอให้เธอครองเรือนอยู่อย่างนี้เนี่ยนะกัภาษาไทยก็จะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแกงงอมกันทั้งคู่นั่นแหละเหมือนใครบอกเหมือนคุณยายอายุร2 0ยยสิบนี่แหละทีนี้พระเรวตาเนี่ยท่านท่านฉลาดมากาก็คิดเลยตอนนั้นนะเด็กอายุ7็ดขวบนะคิด เอาแล้วนนี่เด็กหญิงคนนี้ต่อไปนะเธอจะแก่เหมือนคุณยาคุณยา่คณยาคุณทวดคนนี้ใช่ไหมก็ใช่อ่ะสิเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งสองครองเรือนกันอยู่จนอายุ ข, ขนาดนี้ท่านก็ น, นึกได้เลยมีหน้าลรอพี่ชายเราบวชหมดเนี่ยนะพี่ๆเราบวชหมดก็อย่างนี้เลยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้คือวันบวชของเราเนี่ยนะนั่นก็ตัดสินใจเด็ดขาดตอนที่กําลังเข้าพิธีแต่งงานนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอแต่งงานเสร็จเขาก็ส่งเจ้าสาวเนี่ยไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว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 ท้องเสียครั้งที่หนึ่งนะก็กลับมาท้องเสียครั้งที่สองครั้งที่สามท้องเสียอะไรกันนกหน า, าก็ไม่ทราบแลยนะจนคนเนี่ยเลิกบอกโอ๊ยท้องเสียเดี๋ยวก็กลับมานะครั้งนี้ครั้งหลังสุดท้องเสียหายไปเลยกันเนี่ยเสียจริงๆแลยนะฮะเงียบไปแล้วก็หนีไปไกลมากนะทีนี้พระสารีบุตรเนี่อรู้อยู่แล้วว่าน้องชายตัวเองยังไงก็บวชก็เลยได้สั่งพระพิสดุจทั้งหลายว่าถ้าน้องชายของข้าพเจ้ามาเนี่ยท่านทั้งหลายให้บวชเถอะ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 ดำเนินด้วยพระบาทสูรพระราชอุทยานเปรื่องเครื่องประดับทั้งหมดมอบไว้ในมือพนักงานรักษาคลังหลวงเหมือนกับใครเหมือนกับอย่างพระพูทธิาสร์ของเราก็มอบเครื่องประดับให้กับนายฉันนามาตเนี่ยนะ